เจ็ดวันห่วงวิญญาณกลับบ้านเก่าข้ากลับมาตามสัญญาสัมผัสสยองอัมภาเป็นหญิงสาวเชาบ้านธรรมดาหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก เธอก็ไม่ได้เรียนต่อทางที่อัมพาอยากเรียนให้สูงๆตดยเนื่องจากทางครอบครัวมีน้องเล็กๆอีกสามคนพ่อและแม่ของอัมพาเลยอยากจะให้อัมพาออกจากโรงเรียนมาช่วยเหลือครอบครัวอัมพาเลยไปสมัครเป็นคนงานคัดแยกผลไม้เพื่อนำบรรจุเป็นผลไม้กระป๋องผลไม้ที่คัดแยกก็มีตามฤ ด, ดูการเช่นลิ้นจี่สตรอบเบอรี่ ลำใหญ่สับปะรดหรือผลไม้อืนดื่นงานที่อําพาทำนั้นค่อนข้างหนักอัมพาต้องเริ่มงานตั้งแต่8ดโมงเช้าแล้วเลิกงานห้าโมงเย็นทุกทุ ก, ทกวันแต่ละวันต้องยืนคัดแยกผลไม้ตลอดแทบไม่มีเวลานั่งพักเลยจะได้พักก็ตอนเที่ยงประมาณ40นาทีและเวลาที่ไปเข้าห้องน้ำเท่านั้น ซึ่งเป็นการทำงานที่เหนื่อยและทรมานสำหรับอัมพามาแต่ค่าจ้างก็คุ้มกับค่าเม็ดเงือที่เสียไปเพราะได้วันละสี่ห้าร้อบาทซึ่งสูงกว่าค่าจ้างรายวันขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ที่นี่ถึงแม้จะรายได้รายวันก็จริงแต่โรงงานจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์หรือสิบห้าวันจ่ายหนึ่งครั้งอัมพาจะแบ่งเงินออกเป็นส่วนส่วน ส่วนหนึ่งให้แม่เก็บไว้ซื้อข้าวและให้น้องๆไปโรงเรียนอีกส่วนก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆและค่าอาหารกลางวันของอัมภาจึงทำให้อัมภาไม่มีเงินเก็บเลยอัมภาเคยได้ยินคำกล่าวว่าว้ยว่าคนที่ไม่มีเงินเก็บคือคนจนขั้นพื้นฐานถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ใจ่ายจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาก็จะกลายเป็นคนจนจริงๆ อัมพาคิดว่าจะต้องหลีกหนีคําว่าจนให้ได้โดยที่เธอจะต้องพยายามเก็บหอมรอมริบให้มีเงินก้อนไว้ใช้ใจ่ายในอนาคตบ้างอัมพาทำงานได้ไม่นานก็รู้จักกับสินชายหนุ่มผู้มุ่งมันขยันทำงานนักเอาเบาสูสินโชคดีกว่าอัพาตรงที่สินเป็นลูกคนเดียวฐานะทางบ้านของสินก็พอมีพอกินไม่เดือดร้อน ครอบครัวของศิลเป็นชาวสวนมีที่ดินประมาณสามไร่อัมพาคิดว่าถ้าได้แต่งงานกับสิลชีวิตคงดีขึ้นแน่แน่ในที่สุดอัมภาก็ได้แต่งงานกับศิลและย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของศิลซึ่งอยู่กันคนละอำเภอกับบ้านเดิมของอัมภาอัมภาตั้งใจว่าถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ตามเมื่อมีเงินมีทอง ก็ยังส่งมาช่วยแม่และน้องอยู่เสมออัมพาแต่งงานและอยู่กินกับสินยังมีความสุขพ่อและแม่ของศิลก็รักไลอ็นดูอัมภาเหมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่งอัมพายังได้งานใหม่ที่มีค่าจ้างสูงกว่างานเดิมเรื่องของอัมภาน่าจะจบลงอย่างมีความสุขแต่แล้วก็มีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้น เมื่ออัมพาแต่งงานกับศิล์นได้ประมาณหนึ่งปีอัมพาก็เริ่มมีอาการแพ้ท้องเธอมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นกินอาหารจุกขึ้นอยากกินโน่นกินนี่พ่อและแม่ของศิล์นก็เอาอกเอาใจสารพัดเมื่ออัมพาไปตรวจการตั้งครรภ์ที่อนามัยไกลบานก็พบว่าเธอเริ่มตั้งครรภ์ได้สองเดือนทุกคนรวมทั้งศิล์นต่างดีใจมาก สินเลยให้อำภาออกจากงานมาอยู่บ้านและช่วยพ่อแม่ของสินทำงานเล็กๆน้อยๆในสวนส่วนพ่อและแม่ของอำภาสินเองก็รับภาระทรงค่าใช้ใจ่ายให้อำพารู้สึกขอบใจสินและคิดว่าตัวเองโชคดีที่มีสินเป็นสามีอำภาก็อยากตอบแทนสินโดยตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกที่เกิดมาให้ดี เวลาผ่านไปช่างรวดเร็วเหลือเกินอัมภาก็ตั้งท้องครบเก้าเดือนแล้วทุกครั้งที่หมอนัดตรวจอัมภาก็จะไปตามนัดไม่เคยขาดหมอให้ทำอย่างไรทานยาอะไรอัมภาก็ปฏิบัติตามทุกอย่างเพราะอยากจะให้ลูกออกมาสมบูรณ์แข็งแรงหมอได้กำหนดคลอดประมาณวันที่20สิบตุลาคมเช้าหรือก่อนไม่เกินสามวัน แล้วหมอก็คาดการได้อย่างแม่นยำในวันที่19ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายสามโมงอัมพาก็เริ่มปวดท้องแม่ของศิล์นพาทางดีใจต้มน้ำมูลให้อัมพาดื่มและบอกว่าถ้าเจ็บทีๆครึ่งชั่วโมงต่อครั้งคอยไปโรงพยาบาลหรือถ้าศิลนกลับมาจากที่ทำงานคอยไปโรงพยาบาลก็ยังทนัน แม่ของสินให้เหตุผลว่าท้องหัวสาวอย่างนี้จะเจ็บท้องนานหน่อยอาจจะคลอดวันพรุ่งนี้ก็ได้จนเวลาห้าโมงเย็นสินก็กลับมาถึงบ้านพอสินได้รู้ว่าอัมพาเจ็บท้องจะคลอดแล้วสินก็ดีใจรีบเตรียมของใช้ที่จำเป็นแล้วนำอัมพาไปโรงพยาบาลซึ่งระยะทางจากบ้านไปถึงโรงพยาบาล ห่างกันประมาณ15กิโลเมตรสำหรับอัมพาแล้วเธอคิดว่าจะคลอดที่อนามัยใกล้บ้านก็ได้แต่สินอยากจะพาไปโรงพยาบาลโดยให้เหตุผลว่าเครื่องมือและประสบการณ์ของแพทย์ที่โรงพยาบาลมีมากกว่าสินอยากให้คลอดที่นั่นแม่และลูกจะได้ปลอดภัยขณะที่นั่งรถประจำทาง อัมพาก็รู้สึกเจ็บท้องเป็นระยระๆและทีขึ้นแต่พาก็พยายามอดทนไม่ร้องไห้หรือส่งเสียงดังเธอได้แต่บีบมือสินเวลาที่มดลูกบีบตัวเพราะมันทำให้เธอเจ็บจนแทบทนไม่ไหวสินเองที่ถูกอัมพาบีบมือก็คงเจ็บหน้าดูเหมือนกันเมื่อทั้งสองมาถึงโรงพยาบาลนางพยาบาลที่อยู่เวร ก็รีบจัดแจงให้อมภาไปนอนที่เตียงแล้วตรวจเช็คอาการและบอกกับสินว่าตอนนี้ปากหมดลูกเปิดสามเซนอาจจะคลอดคืนนี้ก็ได้สินพยักหน้ารับรู้แต่สายตาก็ยังจับจ้องมาที่อมภาอย่างเป็นห่วงห้องที่อมพานอนเป็นห้องนอนรวมของคนใกล้คลอดอมพาหันไปมองคนที่กำลังเจ็บท้องใกล้คลอดเหมือนกัน ก็เห็นมีอยู่สองสามคนบางคนร้องโอดโอยส่งเสียงดังทําให้อำพาเริ่มกังวลว่าตอนคลอดเธอจะเจ็บมากแค่ไหนบุรุษพยาบาลเข็นรถพาผู้หญิงคนนั้นไปห้องคลอดสักพักอำพาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องทําให้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกแล้วเธออยากให้ถึงเวลาคลอดของตัวเองเร็ว เพราะตอนนี้อยากเห็นหน้าลูกเหลือเกินแล้วเธอก็เริ่มเจ็บท้องทีมากขึ้นความเจ็บปวดนั้นมันเกิดขึ้นทุกๆห้านาทีแต่คราวนี้มันกลับเจ็บมากจนบอกไม่ถูกในใจตอนนั้นอัมพารู้สึกสำนึกบุญคุณของแม่มาที่ทนเจ็บทนปวดเพื่อลูกได้เธอน้ำตาไหลคิดถึงแม่มาก ถ้าแม่รู้ว่าจะได้เห็นหน้าหลานแล้วแม่คงจะดีใจไม่นานนักพยาบาลก็มาดูอาการของอำพาและพูดอย่างตื่นเต้นว่าปากหมดลูกเปิด8เซนแล้วจวนจะคลอดเต็มทีบุรุษพยาบาลก็มาจัดแจงอุ้มอำภาขึ้นรถเพื่อพาไปห้องคลอดส่วนสินเองก็ตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูก สินทําท่าจะตามไปห้องคลอดแต่พยาบาลก็หันมาบอกกับสินว่าให้รออยู่ที่เตียงนี่แหละไม่ต้องตามไปพยาบาลคงกลัวว่าสินจะไปเกะกะ ก, การทํางานของหมอช่วงเวลานตื่นเต้นนั้นอำพาได้แต่หลับตาและกัดริมฝีปากแน่นพอมาถึงห้องคลอดบุรุษพยาบาลก็จัดแจงให้อำพาร์ขึ้นนอนบนที่นอน โดยมีคุณหมอซึ่งเป็นผู้ชายเป็นคนทำคลอดให้หมอได้จับท้องของอําพาครึ่งไปมาบอกว่าเด็กเอาหัวลงแล้วไม่มีอะไรผิดปกติคงจะให้คลอดธรรมดาไม่ต้องผ่าตัดแต่จะฉีดยาเล่งคลอดให้และอาจจะต้องเจ็บสักหน่อยเพราะเด็กตัวโตมากสินรออยู่ข้างนอกได้ใจจดใจจาและภาวนาให้การคลอดครั้งนี้ ปลอดภัยทั้งแม่และลูกเวลาผ่านไปพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงทารกตัวน้อยร้องเสียงดังแล้วบุรุษพยาบาลคนเดิมก็เขียนรถนำมัมพาออกมาจากห้องคลอดส่วนเด็กทารกนั้นพยาบาลจัดการล้างตัวอยู่บุรุษพยาบาลบอกกับสินว่าเดี๋ยวเด็กจะตามออกมาเมื่ออุ้มมัมพาขึ้นนอนบนเตียงแล้ว อัมภาก็ดูมีอาการอ่อนเพลียเพราะเสียเลือดไปมากหน้าตาดูไม่สดชื่นสลึมสลือมีอาการคล้ายคนง่วงนอนสินเห็นดังนั้นก็เรียกพยาบาลให้มาดูอาการของอัมพาแต่ตอนนั้นก็มีผู้หญิงอยู่ที่เตียงไกลๆกําลังจะคลอดพยาบาลและหมอก็มัวแต่วุ่นวายกับการทำคลอดจึงยังไม่มีใครเข้ามาดูอาการของอัมพา แล้วเสียงสุดท้ายที่อัมภาได้ยินก่อนที่เธอจะหมดสติไปก็คือเสียงสินร้องให้คนช่วยจากนั้นอัมภาก็ไม่รู้สึกตัวเป็นระยะเวลาเนิ่นนานไปเท่าไรก็ไม่รู้อัมภามารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตนเองกําลังยืนอยู่บนถนนที่มืดและเปลี่ยวสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ดำมืดไปหมด อำพาวดำพึงกับตนว่าที่นี่มันคือที่ไหนแล้วเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงสักพักก็มีรถโดยสารสีแดงวิ่งผ่านไปแล้วก็จอดเลยจากจุดที่อำพายือนอยู่ประมาณสิบเมตรมีผู้โดยสารประมาณห้าหคนนั่งอยู่บนรถเธอเห็นคนเหล่านั้นกวากมือร้องเรียกขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วๆว อัมหากึงวิ่งกึ่งเดินไปที่รถโดยไม่ได้ถามว่ารถจะไปที่ไหนเพราะเวลานั้นมันมืดและเปรี่ยวน่ากลัวมากเธอคิดเพียงแต่ว่าขอให้ไปพ้นจากที่นี่ก่อนก็เลยขึ้นรถโดยสารขนันไปพอนั่งไปได้สักพักเธอก็ถามคนในรถว่ากำลังจะไปไหนผู้คนเหล่านั้นนั่งก้มหน้านิ่งไม่มีใครพูด ผิดกับตอนที่เรียกเธอขึ้นรถมาเมื่ออำพาเพ่งมองดูคนเหล่านั้นก็เห็นว่าบางคนมีเลือดไหลออกมาจากศีรษะบางคนก็ดูหน้าขาวซีดจึงคิดว่าคนเหล่านี้อาจจะกำลังไปโรงพยาบาลพอนึกถึงคำว่าโรงพยาบาลอมภาก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองก็มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วทำไม เธอถึงมาอยู่ที่นี่ลูกละ่ะหายไปไหนอําภาหันไปมองคนที่นั่งอยู่ท้ายรถคนนั้นดูจากลักษณะแล้วคิดว่าคงเป็นคนคุมท้ายรถเขามีรูปร่างสูงใหญ่ผิดกับคนธรรมดาเธอจึงเงยปากถามชายคนนั้นว่ารถคันนี้จะพาไปไหนชายคนนั้นหันมามองอาําภาและตอบไปว่าไปบ้านเก่า บ้านเก่าอัมภาทวนคำเธอเข้าใจว่าบ้านเก่าก็คือที่ที่จากมาเมื่อทบทวนดูแล้วเธอก็ตกใจจนพูดกับตัวเองว่าฉันตายแล้วหรือหนี่อัมพานึกในใจว่าเธอจะตายไม่ได้ลูกของเธอยังไม่พบหน้าแม่เลยแล้วอัมภาก็หันไปบอกชายคนนั้นว่าสงสารเช่นเธอฉันจะกลับบ้านไปให้นมลูก ขอให้ฉันได้เห็นหน้าลูกก่อนชายคนนั้นท่าทางใจดีมีเมตตาบอกว่าข้าอนุญาตปให้ได้แค่จิตวันเท่านั้นสิ้นเสียงชายผู้นั้นอัมพาก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเธออัมพาอัมพาอพาัมภาและเธอก็รู้สึกเจ็บที่นิ้วชี้ของเท้าข้างขวาเจ็บแปลก เหมือนมีใครมาหักนิ้วพอเธอลืมตาขึ้นมาดูก็พบศินกำลังบีบนวดมือและเรียกชื่อของเธออยู่ส่วนที่ปลายเตียงเธอเห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังหักนิ้วเท้าของเธอเพื่อให้เธอเจ็บและรู้สึกตัวพอเห็นว่าอมพาลืมตาแล้วหญิงชราคนนั้นก็พูดอย่างดีใจว่าฟื้นแล้วและบอกว่า อย่าให้อำภาหลับตายอีกนะต้องปลุกให้ตื่นให้รู้ตัวอยู่ตลอดพยาบาลที่ทำคลอดเสร็จแล้วก็เดินออกมาจากห้องคลอดเพื่อดูอาการและเติมน้ำเกลือให้อำภาบอกว่าเพราะอำพาเสียเลือดไปมาจึงทำให้อ่อนเพลียให้อำภาพักผ่อนก่อนแล้วพยาบาลอีกคนก็อุ้มลูกน้อยมาให้เธอที่เตียง ทั้งสินและอัมภาชื่นชมลูกสุดที่รักจนลืมขอบคุณหญิงชราที่มาช่วยปลูกกัมาให้ฟืน้นอัมภาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้สามคืนก็ได้กลับบ้านพ่อและแม่ของศิลต่างก็ดีใจที่หลานแข็งแรงปลอดภัยอัมพาเองก็แข็งแรงมีน้ำนมให้ลูกดื่มกินโดยไม่ต้องพึ่งนมเสริมเธอใช้ชีวิตไปตามปกติ และลืมเหตุการณ์ตอนที่เธอสลบไปเพราะคิดว่ามันคงเป็นแค่ความฝันจนเวลาผ่านไปครบเจ็ดวันขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับสนิทอัมภาก็ได้ยินเสียงผู้ชายที่เธอคุยด้วยตอนที่นั่งรถโดยสารเสียงนั้นเรียกชื่อเธอเบาๆเป็นเสียงที่ราบเรียบและเย็นยเยอือกอัมภาครบเจ็ดวันแล้วเวลาของเจ้าหมดแล้ว อัมพาลืมตาแล้วมองไปรอบๆห้องนอนก็ไม่เห็นมีอะไรเธอคิดว่าคงหูแว่วไปเองสักพักก็มีลมพัดมาประท่าใบหน้าของเธอแล้วเสียงนั้นก็แว่วมาอีกว่าอาัมพาข้ามาทวงวิญญาณคืนอัมพารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ความฝัน จึงตอบไปว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครเราจะทิ้งลูกของเราไปได้ยังไงลูกของเราต้องมีแม่เลี้ยงดูคอยให้นมกินอยู่ตลอดขอให้ท่านโปรดปลานียกเว้นเราด้วยแต่เสียงนั้นตอบกลับมาว่าข้าตัดสินใจไม่ได้ข้ามีหน้าที่ติดตามดวงวิญญาณไปส่งเท่านั้นเมื่อพาได้ฟังดังนั้นจึงต่อรองว่า ขอให้ลูกเราโตและเลิกกินนมเราก่อนได้ไหมเสียงนั้นก็เงียบหายไปเวลาผ่านไปหกเดือนลูกน้อยของอัมพาก็โตพอจะกินอาหารอื่นๆได้บ้างตอนนี้น้ำนมของอัมพาก็ไม่ค่อยจะมีแล้วจนมาถึงคืนหนึ่งขณะที่อัมภานอนอยู่เสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีออัมพาจ้าวตรงไปกับข้าแล้ว ข้ามีตาเจ้ามานานมากจนข้าเองต้องได้รับโทษได้รับความทรมานเป็นอย่างมากเจ้าต้องไปกับข้าเดี๋ยวนี้อาภาร้องไห้อย่างหนักบอกว่าขอโอกาสเราสักครั้งหนึ่งเราไม่อยากจะจากลูกไปเลยเสียงนั้นบอกว่าได้แต่มีอยู่ทางเดียวที่เจ้าจะรอดเจ้าต้องนำดวงวิญญาณของคนที่เจ้ารักมาค่ะ ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกสามวันแล้วจะมาเอาคำตอบสิ้นเสียงที่ดังกล้องในหูอัมภาพวาตื่นเงื่อท่วมตัวนึกถึงเสียงนั้นที่บอกว่าให้หาดวงวิญญาณของคนที่รักไปแทนอัมภารักพ่อรักแม่รักน้องน้องรักศิลรักลูกและรักพ่อกับแม่ของศินด้วย อัมพาไม่รู้ว่าจะเลือกดวงวิญญาณของใครดีและที่ที่จะไปนั้นจะเป็นนรกคุมไหนจะทุกทรมานเพียงใดก็ไม่มีใครรู้อัมพาไม่อยากเห็นแก่ตัวแล้วให้ใครมาตายแทนตลอดเวลาสามวันหลังจากคืนนั้นอัมพาไม่เป็นอันกินอันนอนได้แต่นอนสมอยู่บนที่นอนพอญาติญาติมาเยี่ยมและถามทายอาการ อัมภาก็พูดคุยตามปกติและก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เธอกลุ้มใจให้ใครฟังจนกระทั่งถึงคืนที่สามซึ่งเป็นคืนที่อัมภาจะต้องให้คําตอบว่าจะเลือกใครที่จะถูกเอาวิญญาณไปแทนเธออัมภาได้แต่มองศินมองลูกกันเป็นที่รักและน้ําตาซึมตลอดเวลาในที่สุดอัมภาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้สินฟัง แต่สินกลับปลอบใจและพูดว่าอัมภาคงเพอ้อเพราะไม่สบายเนื่องจากเธอไม่ทานอาหารเลยในสามวันนี้คืนนั้นเมื่อทุกคนกำลังจะเข้านอนอัมภาก็บอกกับสินว่าเธอทนไม่ได้ที่จะเห็นคนนั้นเป็นที่รักต้องตายไปและไม่อยากให้ผู้มีพระคุณที่ปล่อยให้เธอกลับมาเลี้ยงลูกจะต้องทนทุกทรมานอีเธอคิดว่า จะยอมจากไปเองเมื่อสินได้ฟังก็อบกอดอัมภาที่กําลังร้องไห้อำพาเงยหน้าขึ้นมาทั้งน้ําตาแล้วบอกว่าไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงอย่างน้อยถ้าต้องจากไปจริงๆก็ขอกล่าวลากับพี่และลูกก่อนอัำพาหันไปบอกกับลูกน้อยที่นอนข้างๆกายว่าแม่จําต้องลาจากลูกไปก่อน แม่มีบุญน้อยไม่สามารถอยู่เลี้ยงดูลูกได้ขอให้ลูกหลักเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อของลูกนะสินได้ฟังดังนั้นก็ปลอบอัำพาว่าพวกนี้เราค่อยไปทำบุญด้วยกันจะได้สบายใจขึ้นจากนั้นทั้งสองคนก็เข้านอนพอสินหลับไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงบำพาพูดพึมพำเหมือนคนละเมอว่า ตรงไปแล้วนะฝากดูแลลูกด้วยแต่ด้วยความง่วงสินจึงนอนหลับต่อพอรุ่งเช้าเมื่อสินตื่นขึ้นมาก็พบว่าอัมพานอนแน่นิง่งไม่ไหวติงผิดจากปกติเมื่อสินเข้าไปดูไกลๆจึงเห็นว่าอัมพาไม่หายใจแล้วสินจึงรู้ว่าเรื่องที่อัมพาเล่าให้ฟังมันเป็นความจริง แต่สินก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วสินร้องไห้โอบกอดร่างของภรรยาไว้นในอ้อมแขนแล้วก็พูดกับร่างไร้วิญญาณว่าสินให้สัญญาว่าจะเลี้ยงดูลูกอย่างดีขอให้นำพาไปสู่สุคติอย่าได้เป็นห่วงสิ่งใดเลย Y'all.